ธรรมะจากชีวิตวันหนึ่งคืนคืนหนึ่งนะก็วันนี้จะให้วิธีการปฏิบัติที่ว่าเป็นการรัดสั้นเป็นทางด่วนในระหว่างที่เรามีปัญหาหรือมีการเจ็บไข้ได้ป่วย อย่างเช่นว่าเรามีความป่วยไขย้จะเป็นโรคที่ร้ายแรงหรือเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงก็ตาม้าร่างกายมันเกิดความป่วยไข้เราก็มีปัญหาเราจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้แบบวิธีการปฏิบัติแบบรัดๆสั้นๆง่ายๆ จำไว้มี3ามตัวคือ3มยอ3มยอเนี่ยหรือ3ามยอมยอมที่หนึ่งก็คือเวลาที่เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะยอมรับความจริงยอมรับในความป่วยกข้ของเราซะ แล้วก็หาวิธีการแก้ไขเพียงแค่เรายอมรับเท่านั้นน่ะใจเราก็จะเบาจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาเมื่อเรายอมรับกับความป่วยไขไ้ได้เนี่ยเราก็แก้ไขเนี่ยแก้ไขความเจ็บไข้ได้ป่วยคือจะรักษาจะไปหาหมอจะไปทานยาก็ตามใจแต่ถ้าหากว่าเรารักษาแล้ว อาการมันไม่ดีขึ้นก็ยังมีความเจ็บไข้ได้ป่วยอาการยังไม่ดีเราต้องใช้ยอมที่สองคือยอมให้มันเป็นไปเมื่อไม่หายก็ปล่อยให้มันเป็นไปเรียกว่ายอมให้มันเป็นไปถ้าเรารู้จักยอมให้มันเป็นไปอย่างนี้แล้วเนี่ยใจเรามันจะหมดภาระทางใจ หมดภาระตั้งใจไปเลยในนี้ยอมที่3มก็คือเรต้องรู้ว่าเมื่อยอมแล้วรักษาแล้วไม่ดีขึ้นไม่หายขึ้นถึงคราวที่จะต้องตายเราก็ต้องยอมตายอ้าวตายก็ตายเนี่ยเนี่ยยอมที่สามสำคัญนะยอมตาย เ, เมื่อเรายอมรับแล้วแก้ไขแล้วไม่ได้แล้วก็ถึงคราวตายแล้วก็ต้องยอมตายการทำใจที่จะยอมตายได้นั้นเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกทางจิตใจที่ว่ามันจะไม่เกิดการกล้าหาญใจเราจะกล้าหาญจะล่าเริงบอเป็นั้นตายก็ยอมไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยกล้าหาญแล้วก็ล่าเริง เพราะนั้นสูตรสามยอเนี่ยวิธีเป็นบัตรสามยอเป็นแบบวิธีทัดรัดสั้นๆเวลาเราป่วยไข้หรือเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเนี่ยมันใช้ได้ผลทันทีทันควันที่เราวางใจไว้ว่าเมื่อเกิดปัญหาเราก็รู้จักยอมรับความจริงเมื่อแก้ไขไม่ได้แล้วเราก็ยอมให้มันเป็นไปสุดท้ายก็ยอมตาย ถ้าเราทําใจอย่างนี้ได้แล้วก็ใจเราก็จะหมดภาระจะมีความกล้าหาญล่าเริงทุกไม่เกิด